ดีกอาอภิธรร ม, มัตถสังคหะชื่ออภิธรร ม, มัตถวิภาวินีแปลหลักสูตรบาลีชั้นประโยคปท .9 และบส9สำนวนโดยพระเดชพระคุณท่านชกคุณอาจารย์พระธมมะรรมวโรดมวัดเบญจมโบพิษกรุงเท พ, พซึ่งท่านได้ตรวจแก้ เรียบร้อยเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดขอให้นักศึกษาดูหนังสือบาลีอภิธรรมมัท ว, วิภาวินีหน้าหกสิบเอ็ดเริ่มตั้งแต่ต้นไปนะครับดีกาพระอภิธรรมมัทสังคหะชื่ออภิธรรมมัทวิภาวินีคาถาเริ่มต้น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 ผู้มีกิเลสเพียงดังเนินไปประราชแล้วขอกราบไหว้พระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นประราชองค์อาจในพระปริยัตยิเป็นครูเป็นเครื่องรองรับความเคารพด้วยเสียงกล้าวแล้วจากพัณนาโดยย่อซึ่งปรกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมมัฏฐสังคหะอันเป็นเครื่องอยังปีติให้เจริญอย่างยิ่ง แกเหล่าภิกษุนักอภิธรรมก็เพราะเหล่ากุลบุตรไม่สามารถจะรู้แจ้งเนื้อความในทุกบทในปรกรณ์นี้ได้จากดีกาแม้เป็นอันมากที่ท่านพระโบาณอาจารย์ทั้งหลายได้รดจนาไว้ฉะนั้นข้าพเจ้าจากรจนาโดยย่อซึ่งอัถวันน า, นา ไม่ละทิ้งบทที่ลี้ลับทั้งหลายในประกอบนี้พร้อมทั้งอธิบายให้แจ่มแจ้งแลพันานาความคาถาเริ่มต้นประกท่านอาจารย์วงและเปิดพระอนุรุธทธาอาจารย์วงและปิดนี้เมื่อจะเริ่มประกนี้ซึ่งประกอบด้วยนิยะอันวิจิตอย่างยิ่ง สามารถจะแวกความยุ่งเหยิงในลัทธิของตนและลัทธิอื่นซึ่งให้เกิดความแกล้วกล้าแห่งปัญญาทั้งผ่องใสทั้งไพบูรณ์ในเบื้องต้นกล่าวคำว่าสำมาสัมพุทธทางดังนี้เป็นต้นก่อนก็เพื่อแสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัยความย่อวิธีการแต่งชื่อประกรณและประโยชน์ทั้งหลาย ความจริงในคาถาเริ่มต้นปรกรณ์นี้ด้วยคําว่าสัมมาสัมพุทธังเปอภิวาทยะนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยคําว่าอภิธรรมัตฐสังคหังนี้กล่าวความย่อเพราะแสดงว่าอาตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อันปรกรที่รวบรวมขึ้นแล้วนี้พึงให้สำเร็จได้โดยแสดงว่าอัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมทั้งหลายอันท่านอาจารย์พึงรวบรวมไว้ในปรกรณี้วิธีการแต่งเพราะแสดงอาการคือการรวบรวมกล่าวไว้เป็นหมวดหมวดและชื่อปรกรณ์ทั้งหลาย เพราะแสดงชื่อที่คล้อยตามความหมายส่วนประโยชน์เป็นอันท่านพระอนุรุทาจารย์แสดงไว้เสร็จแล้วด้วยบทว่าสังคหะโดยเป็นบทที่มีความสามารถเพราะเมื่อมีการรวบรวมอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมทั้งหลายไว้เป็นหมวดหมวดความเข้าใจสภาวะแห่งอัด ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้นด้วยกิจมีการเรียนและการสอบถามอัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นเป็นต้นและความสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพ ซึ่งมีความเข้าใจสภาวะแห่งอัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นเป็นมูลก็จะสําเร็จได้โดยไม่ยากในการาประกะเหตุมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นนั้นประโยชน์แห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยท่านอาจารย์ทั้งหลายพันานาให้พิสดารโดยประการมากทีเดียว แต่ว่าโดยพิเศษแล้วท่านหวังจะป้องกันอันตรายวงและเปิดนั่นเองวงรละปิดสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์ผู้รจนาสังคห์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้นขอข้าพระเจ้าจงปราศจากอันตรายความจริงการนอบน้อมพระรัตนตรยัย ว่าโดยความหมายก็คือกุศลเจตนาที่ให้สเร็จกิยิยาคือการนอบน้อมและกุศลเจตนานั้นเป็นเหตุให้สเสวยผลในปัจจุบันเพราะบริบูรณ์ด้วยเขตและอาชาสายแก่บุคคลทั้งหลายผู้ไหวพระรัตนตรัยที่ควรไหว ย่อมป้องกันอุปปีรักะกรรมและอุปัชฉะ ก, ะกรรมอันกระทาอันต ร, รายต่อความสืบต่อแห่งวิบากอันกุศลเจตนานั้นให้บังเกิดแล้วด้วยอำนาจช่วยสนับสนุนแก่กรรมที่มีสมบัติตามที่ได้แล้วเป็นเครื่องหมายแล้วให้สำเร็จความไม่เป็นไปแห่งอันต ร, รายมีโรคเป็นต้น อันจะขัดขวางความสำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์อันมีอุปปีละกะกรรมและอุปัชฌะกกรรมนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการกระทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยในการเริ่มต้นประกรณ์ก็เพื่อปรกรณ์ตามที่เริ่มแล้วจะสำเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากอันตราย และเพื่อความสำเร็จกิจมีการเรียนและการทรงจำเป็นต้นโดยปราศจากอันตรายแก่นักศึกษาทั้งหลายเพราะการปฏิบัติมีการไหว้เป็นประทานส่วนการกล่าวความย่อไว้ก็เพราะคำพีซึ่งมีความย่อปรากฏชัดเจนแล้วเท่านั้น อันวินยูชนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติตามได้ด้วยอำนาจกิจมีการเรียนเป็นต้นอันหนึ่งการแสดงวิธีการแต่งและประโยชน์ไว้ก็เพื่อให้เกิดความขมักขะเม่นแก่นักเรียนทั้งหลายส่วนการกล่าวชื่อไว้ก็เพื่อสะดวกแก่การเรียกแลนี้เป็นความรวมในคาถาเริ่มต้นประกอบนี้ ส่วนความเรียงมีดังต่อไปนี้เชื่อมความว่าข้าพเจ้าขออภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันช่างไม่ได้พร้อมทั้งพระศิธรรมและหมู่อันสูงสุดแล้วจากกล่าวประกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมมัทธะสังคฆะพึงทราบวิเคราะห์ในคาถาเริ่มต้นประกรณ์นั้นดังต่อไปนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งทำทั้งปวงทั้งหลายโดยชอบด้วยด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่งพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วคือได้ทรงรู้ทั่วถึงแล้ว ซึ่งธรรมที่แยกเป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมแม้ทั้งสิน้นด้วยอำนาจรู้แจ้งลักษณะพร้อมทั้งกิจตามความเป็นจริงชื่อว่าโดยชอบด้วยพระสยามภูญานที่เกิดพร้อมจากความที่พระองค์ทรงสังสมอบรมพระบาลมีแล้วด้วยพระองค์เองชื่อว่าด้วยพระองค์เอง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเรารู้ยิ่งเองจะพึงอ้างใครเล่าดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะพุทธาทาสใช้ในายอดว่าตื่นก็มีในายอดว่าเบิกบานก็มีจึงมีอธิบายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตื่นเฉพาะแล้วโดยชอบและด้วยพระองค์เองคือ มิใช่บุคคลอื่นปลุกให้ตื่นได้แก่ทรงปราศจากความหลับคือความลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาอย่างเด็ดขาดด้วยพระองค์เองทีเดียวทรงเบิกบานแล้วคือทรงถึงความเบิกบานตามลำดับโดยชอบและด้วยพระองค์เองโดยบรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันประดับด้วยหมคุณอันนับไม่ถ้วนเพราะบรรลุอรหัตมัคคยาณ เปรียบเสมือนดอกปทุมที่แย้มบานโดยถึงความงามาอันเลิศว่ามีสุริอันน่าชอบใจอย่างยิ่งเพราะการต้องรัศมีพระอาทิตย์ฉะนั้นแม้เมื่อจะมีการประกอบเนื้อความแห่งคำตามที่กล่าวแล้วเพราะสับว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะใช้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอำนาจเป็นพระนาม ท่านพระอนุรัติอาจารย์จึงสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นให้พิเศษออกไปด้วยคําว่าอะตุลังนี้บุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาชื่อว่าตุลยะตุลยะนั้นนั่นเองท่านอาจารย์กล่าวว่าตุละด้วยอํานาจลบยะเสียอีกอย่างหนึ่งด้วยอํานาจอะปัจจัยใช้ในความหมายว่าเปรียบเทียบ บุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบชื่อว่าตุลละพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลอันบุคคลเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบหามิได้จึงทรงพระนามว่าอตุละคือทรงเป็นผู้ไม่เหมือนกับใครๆด้วยพระคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอีกอย่างหนึ่ง บุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบคือบุคคลที่เหมือนกันไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอตุระเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลชั้นยอดในโลกพร้อมทั้งเทวโลก สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ตามสองเท้าก็ตามสี่เท้าก็ตามมีประมาณเพียงใดตถาคตบัณฑิตกล่าวว่าเลิห์กว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณเพียงนั้นดังนี้เป็นต้น ก็ด้วยถ้อยคํามีประมาณเท่านี้ย่อมเป็นอันท่านพระอนุรุทธาจารย์กระทําการสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอาการสามอย่างคือเหตุสัมปทานหนึ่งผลสัมปทานหนึ่งศัตรูปการะสัมปทานหนึ่ง ในบรรดาสัมปทาทั้งสประการนั้นที่ชื่อว่าเหตุสัมปทาได้แก่ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบพร้อมด้วยพระมหาการุณาและความอบรมพระโพธิสมภารส่วนผลสัมปทามีสี่อย่างคือญาณสัม 1, ปทานหนึ่งานสัมปทานหนึ่งอนุภาวาสัมปทา1หนึ่งรูปกายสัมปทา1หนึ่ง บรรดาผลสัมปทาสี่อย่างนั้นมรคยานอันเป็นประฐานแห่งพระสัพพัญยุตยานและพระยานมีทศพลายานเป็นต้นซึ่งมีมรคยานนั้นเป็นมูลชื่อว่าญาณสัมปทาการทําสังกิเลสทั้งสิน้นพร้อมทั้งวาสนาให้ถึงความไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเป็นธรรมดาชื่อว่าปหานสัมปทา ความเป็นใหญ่ในการบรรดาลให้สาเร็จได้ตามที่ประสงค์ชื่อว่าอานุภาวสัมปทาส่วนความสมบูรณ์แห่งพระอัตภาพที่ประดับด้วยพระลักษณะวงและเปิด32สองประการวงและปิดและพระอนุพยัญชนะวงและเปิด80ประการวงและปิดอันเป็นที่น่าเพลิดเพลินเจริญนัยนาของชาวโลกทั้งสิน้นชื่อว่ารูปกายสัมปทา ส่วนศัตรูปรการสัมิปธามีสองอย่างคืออาศัยะหนึ่งประโยคะ์หนึ่งบรรดาศัตรูปรการสัมิปธาทั้งสองอย่างนั้นภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหฤทยัยเกื้อกูลเป็นนิดแม้ในเหล่าสัตว์ผู้มีความผิดมีพระเทวทัศน์เป็นต้นและการรอคอยเวลาแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของเหล่าสัตว์ ผู้มีปัญญินทรีย์ยังไม่แก่กล้าชื่อว่าอาสยะส่วนความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหรไทยัยมิได้เพ่งเล็งถึงลาบและส ก, การะเป็นต้นทรงแสดงธรรมอันจะนำสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งปวงโดยหัวข้อคือยานสามแก่เราสัตว์อื่นจากสัตว์ผู้มีความผิด มีพระเทวทัตเป็นต้นนั้นชื่อว่าประโยคคะบันดาสัมปทาสามประการมีเหตุสัมปทาเป็นต้นเหล่านั้นผลสัมปทาสองประการข้างต้นท่านพระอนุรุทาาจารย์แสดงแล้วด้วยคำว่าสัมมาสัมพุทธังนี้ ผลสัมปทาสองประการนอกนี้และศัตรูประการะสัมปทาก็เหมือนกันคือแสดงแล้วด้วยคําว่าอัตุลังนี้อันหนึ่งเหตุสัมปทาอันเป็นอุบายเข้าถึงผลสัมปทาและศัตรูปรการะสัมปทาทั้งสองนั้นเป็นอันท่านพระอนุรุทธาจารย์แสดงแล้วแม้ด้วยบททั้งสองโดยเป็นบทที่มีความสามารถ เพราะสัมปทาทั้งสองนั้นจะเกิดมีไม่ได้โดยเว้นจากเหตุสัมปทาเช่นนั้นเสียและเพราะเมื่อผลสัมปทาและศัตรูปการสัมปทาทั้งสองนั้นไม่มีเหตุวงและเปิดพึงเกิดได้เองวงและปิดผลสัมปทาและศัตรูปการสัมปทาทั้งสองเหล่านั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความเกิดมีได้ในบุคคลทุกจาพวก ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์ครั้นกราบไหว้พระพุทธรัตนนั้นซึ่งมีการสดุดีที่ประมวลไว้ด้วยข้อกำหนดสามอย่างเป็นเบื้องต้นดังพันนานามาชนีแล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มการนอบน้อมแม้พระรัตนที่เหลือจึงกล่าวว่า ส, สัจธรรมะขนุตมังดังนี้เป็นต้น ความจริงภาวะที่พระธรรมและพระสงฆ์แม้เป็นผู้มีพระคุณอันพุทธศาสนิกชนพึงกราบไหว้บัณฑิตย่อมรู้ได้ด้วยการประกอบกับสหศัพ์เปรียบเสมือนเมื่อพูดว่าเขามาพร้อมกับลูกและเมียก็รู้ได้ว่าแม้ลูกและเมียในวงเล็บของเขาก็มาด้วยฉะนั้น บรรดาพระธรรมและพระสงฆ์นั้นสภาวะที่ชื่อว่าธรรมเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมทรงเหล่าสัตว์ผู้ทรงตนไว้ไม่ให้ตกไปในอบายภูมิสีและในวัฏทุกทั้งหลายพระธรรมมีเก้าประการคือมรซี 4, ผล4ีนิพพาหนึ่งหรือว่ารวมกับป ร, ริยติธรรมก็มีสิบประการ ก็แลความดำรงอยู่แห่งพระธรรมนั้นก็คือความกำจัดกิเลสที่ยังสัตให้บังเกิดในอบายยภูมิเป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็ความกำจัดกิเลสที่ยังสัตให้บังเกิดในอบายภูมิเป็นต้นนั้นว่าโดยตรงได้แก่อริยมรรคโดยเป็นสภาวะตัดกิเลสได้เด็ดขาดและได้แก่พระนิพพานโดยอริยมรรคนั้น เป็นเหตุสำเร็จประโยชน์กล่าวคือความกำจัดกิเลสนั้นโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าโดยอ้อมย่อมได้แก่ผลและปริยัติแม้ทั้งสองโดยผลมีความเป็นไปแห่งคุณที่คล้อยตามมัคด้วยอำนาจเป็นเครื่องสงบระ ง, งับกิเลสทั้งหลายได้และโดยที่ปริยัติธรรมเป็นเหตุบรรลุถึงมัคผลและพระนิพพานนั้น พระธรรมของผู้สงบทั้งหลายคือสัพ บ, บุรุษทั้งหลายได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายเพราะเหตุนั้นชื่อว่าสัตธรรมอีกอย่างหนึ่งพระธรรมที่มีอยู่คือปรากฏอยู่หาใช่ไม่มีอยู่โดยปรมาดุดอัตตาที่พวกเดรรีพากันกำหนดฉะนั้นไม่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัตธรรม อีกอย่างหนึ่งทรรมที่บัณฑิตยกย่องคือที่บัณฑิตสรรเสริญเพราะประกอบด้วยคุณมีความเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นหาเป็นธรรมที่น่าติเตียนโดยส่วนเดียวดุด ร, รมของพาหิร ก, กชนฉะนั้นไม่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัตวธรรม หมูนั้นด้วยชื่อว่าเป็นหมู่เพราะเป็นหมู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าสูงสุดด้วยเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าคนุตมะอีกอย่างหนึ่งหมู่ที่สูงสุดกว่าหมู่ทั้งหลายหรือว่าในหมู่ทั้งหลายคือในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นต้นด้วยอำนาจแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าคนุตตมะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นไปพร้อมกับพระสัศธรรมและหมู่อันสูงสุดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นส่งพระนามว่าสัสธรรมะคนุตตมะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัศธรรมและหมู่อันสูงสุด บทว่าอภิวาทิยะได้แก่ไหวโดยพิเศษอธิบายว่าไหวด้วยกายทวารวจีทวารและมโนทวารโดยเคารพคือโดยเอื้อเฟือ้อเว้นความกลัวลาบและมารยาทประจำสกุลเป็นต้นวงเล็บหรือจะแปลว่าตะกูลและมารยาทเป็นต้นก็ได้วงเล็บปิดบทว่าภาสิสังแปลว่าจักกล่าว ปรกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมัทธสังคหะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นที่หรือเป็นเครื่องอันท่านอาจารย์รูปรวมอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอภิธรรมเพราะอัถวิเคราะห์เป็นต้นว่าเป็นที่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมทั้งหลายที่พิเศษอย่างยิ่งไว้ โดยเป็นปรมัตถธรรมอันพระองค์ทรงให้บังเกิดแล้วได้แก่พระอภิธรรมปิดกเจ็ดคำพีมีพระธรรมสังคนีเป็นต้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์ครั้นธรรมบุรพกิจมีการนอกน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นซึ่งมีประโยชน์ตามที่ประสงค์เป็นเครื่องหมายอย่างนี้ก่อนแล้ว ปกรณ น, นี้ท่านอาจารย์ตั้งไว้ด้วยอำนาจเป็นเครื่องรวบรวมอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่าใดบัดนี้เมื่อจะยกอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้นขึ้นแสดงโดยสังเกตก่อนจึงกล่าวคำว่าตัทธวตาดังนี้เป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าอัดแห่งพระอภิธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในประกรณ์นั้นคือในพระอภิธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงคือด้วยอำนาจแห่งธรรมมีกุศลธรรมเป็นต้นและด้วยอำนาจแห่งสภาวธรรมมีขันเป็นต้นว่าโดยปรมัติคือด้วยอำนาจปรมัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้บังเกิดแล้วเว้นสมมติเสีย ดำรงอยู่โดยส่วนสี่คือโดยอาการสี่อย่างนี้คือจิตได้แก่วิญญาณขันธ์เจตสิกได้แก่ขันธ์สามมีเวทนาขันธ์เป็นต้นรูปได้แก่รู ป, ปรขันธ์แยกประเภทเป็นภูตา ร, รูปและอุปาทายรูปนิพพานได้แก่อสังขตธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของมรรคจิตและผลละจิต พึงทราบวิเคราะห์ในคาถาที่สองนั้นดังกล่าวไปนี้อัตย่างยอดเยี่ยมคือสูงสุดได้แก่ไม่วิปริตหรือว่าอัตคืออารมณ์แห่งยานที่ยอดเยี่ยมคือสูงสุดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปรมัติต์โดยปรมัติต์นั้นธรรมชาติใดย่อมคิดอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตสมจริงดังพระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าจิต มีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ดังนี้ความจริงแม้เมื่อนิสยปั จ, จัยและสามะนันตระปั จ, จัยเป็นต้นก็ยังมีอยู่จิตเว้นจากอารมณ์เสียก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านพระอัฏกถาจารย์จึงกล่าวว่าจิตนั้นมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์นั้นด้วยคำว่าจิตมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์นั้นดังนี้ นั้นย่อมเป็นอันท่านอาจารย์คัดค้านมาติของท่านผู้มีปกติกล่าวว่าจิตไม่มีอารมณ์หรือว่าสัมปยุตรธรรมทั้งหลายย่อมคิดด้วยธรรมชาตินี้อันเป็นเหตุวงเล็บเปิดหรือจะแปลว่าอันเป็นเครื่องกระทำวงเล็บปิดเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตอีกอย่างหนึ่ง เพียงความคิดก็ชื่อว่าจิตความจริงเพียงความเป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละนี้คือชื่อว่าสภาวธรรมก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมาอย่างนี้ว่าโดยตรงปรมารมัตถธรรมแม้ทั้งหมดบัณฑิตย่อมได้ความเป็นภาวะสาธารณะทั้งนั้นส่วนรูปวิเคราะห์ที่เป็นกัตตุสาธารณะ และเป็นการณะสาธนะบันดิตพึงเห็นว่าเป็นการกล่าวโดยอ้อมความจริงภาวะที่ทำทั้งหลายเป็นกตตาโดยยกตนขึ้นเป็นประธานในหน้าที่ของตนของตนและภาวะที่ทำอันบันดิตจะพึงให้สเร็จเป็นการณะโดยยกภาวะที่ตนเป็นกตตาขึ้นในหมวดสหชาตธรรมด้วยภาวะที่คล้อยตามกัตานั้นย่อมได้โดยอ้อมทั้งนั้น ก็การแสดงเช่นนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเพื่อจะแสดงว่ากัตตาเป็นต้นที่พ้นไปจากสภาวธรรมไม่มีท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมพันน า, นาอาจแห่งจิตตาพั์ให้พิสดารแม้โดยอาจมีความกระทาให้วิจิตเป็นต้นก็ในอธิการนี้มีความย่อดังต่อไปนี้ ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะกระทาให้วิจิตหรือว่าเพราะภาวะที่ตนวิจิตหรือว่าเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมไว้ก็หรือว่าเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมรักษาตนอันกรรมและกิเลสสั่งสมไว้หรือว่าเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมสั่งสมความสืบต่อแห่งตนหรือว่า เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีอารมณ์อันวิจิตดังนี้ธรรมชาติใดมีในจิตโดยมีความเป็นไปเนื่องกับจิตนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกความจริงเจตสิกนั้นเว้นจากจิตเสียก็ไม่สามารถจะรับอารมณ์ได้เพราะเมื่อไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด ส่วนจิตแม้จะเว้นจากเจตสิกบางประการเสียก็ยังเป็นไปในอารมณ์ได้เพราะเหตุนั้นเจตสิกนั้นเท่านั้นชื่อว่ามีความเป็นไปเนื่องกับจิตเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานดังนี้เป็นต้นด้วยบทว่าตถายตวุติตายะนี้ ย่อมเป็นอันท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์คัดค้านความปฏิบัติผิดมีความที่เวทนาห้าประการมีสุขเวทนาเป็นต้นไม่มีจิตและความที่เวทนาห้าประการมีสุขเวทนาเป็นต้นเป็นธรรมชาติเที่ยงแท้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่ประกอบกับจิตชื่อว่าเจตสิก ธรรมชาติใดย่อมเปลี่ยนปแปลอธิบายว่าย่อมถึงความเปลี่ยนปแปลด้วยปัจจัยที่เป็นค่าศึกมีความหนาวและความร้อนเป็นต้นหรืออันปัจจัยที่เป็นค่าศึกมีความหนาวและความร้อนเป็นต้นให้ถึงความเปลี่ยนปแปลเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ย่อมเปลี่ยนแปลเพราะความหนาวบ้างย่อมเปลี่ยนแปลเพราะความร้อนบ้างดังนี้เป็นต้นก็ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเองในเมื่อมีการประชุมแห่งปัจจัยที่เป็นค่าศึกมีความหนาวเป็นต้นชื่อว่าความเปลี่ยนแปลในที่นี้ถามว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแม้อรูปธรรมก็ควรเรียกว่ารูปได้มิใช่หรือ ฉเฉลยว่าเรียกว่ารูปไม่ได้เพราะท่านประสงค์ความเปลี่ยนแปลที่ปรากฏชัดแล้วนั่นแลโดยความสามารถแห่งสับมีสีตาสับเป็นต้นความจริงเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ความเปลี่ยนแปลก็สำเร็จด้วยคที่ไม่แปลกกันเลยว่ารูปปฏิดังนี้เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน์อะไรด้วยสับมีสีตาสับเป็นต้นเล่าก็สับมีสีตาสับเป็นต้นนั้นมีประโยชน์ให้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงแห่งรูปอันปัจจัยที่เป็นค่าศึกมีความหนาวเป็นต้นถูกกล้องแล้วปรากฏชัดกว่าเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนปแปลนั้นนั่นแหละท่านประสงค์เอาแล้วในบทว่ารูปปฏินี้ถามว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมในพรหมโลกจึงเรียกว่ารูปวงและเปิดเพราะว่าวงและปิดความจริงปัจจัยที่เป็นตัวเบียดเบียนมีความหนาวเป็นต้นไม่มีในพรหมโลกนั้นฉเฉลยว่าปัจจัยที่เป็นตัวเบียดเบียนไม่มีแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนก็มีอยู่เพราะฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลในพรหมโลกนี้ย่อมเกิดมีด้วยอำนาจปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนนั้นอีกอย่างหนึ่งมีการเรียกว่ารูปได้ในพรหมโลกนั้นเพราะไม่ล่วงเลยความเปลี่ยนแปลนั้นไปได้แลพ่อทีด้วยการกล่าวอย่างเย่นเยอะธรรมชาติที่ชื่อว่านิพานเพราะอัตวิเคราะห์ว่าออกไปแล้วจากกันหาที่เรียกว่าวานะเพราะรอยรัต คือเย็บไว้ซึ่งพบน้อยพบใหญ่หรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นพันานาความปริเฉดที่หนึ่งเพราะการอธิบายสภาวธรรมที่มีการจำแนกเว้นการจำแนกเสียย่อมมีไม่ได้ฉะนั้นบัดนี้ ท่านพระอนุรุธทธาจารย์หวังจะแสดงการจำแนกอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมตามที่ยกขึ้นแสดงไว้ตามลำดับอุเทศเมื่อจะเริ่มจำแนกแสดงจิตด้วยอำนาจข้อเบตเตล็ดมีภูมิชาติและสำประโยคเป็นต้นก่อนจึงกล่าวคำว่า สัทธจิตตังกาวะดังนี้เป็นต้นตาวะสั์ใช้ในความหมายแห่งคําว่าปัทมังนี้ความจริงในนิเทศนี้มีอธิบายความดังนี้ว่าบรรดาอัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมสี่ประการตามที่ยกขึ้นแสดงไว้ข้าพเจ้าจะแสดงจิตก่อน จิตชื่อว่าสี่อย่างเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีอย่างคือประการสก็เพราะทำทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิสี่เหล่านี้ประนีตขึ้นตามลำดับฉะนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกระทำการแสดงจิตเหล่านั้นตามลำดับที่ต่ำสูงสูงกว่าและสูงที่สุด เพิ่งสราวิเคราะห์ในคำว่ากามาวจรังเป็นต้นนั้นดังก่าไปนี้สภาวะที่ชื่อว่ากามเพราะอัตวิเคราะห์ว่ายังจิตให้ใครคือกามตัณหาจิตชื่อว่ากามาวจรเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามตัณหานั้นด้วยอำนาจกระทําให้เป็นอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งสภาวะที่ชื่อว่ากามเพราะอัถวิเคราะห์ว่าอันจิตใครได้แก่กามภพสิบเอ็จิตที่ชื่อว่ากามาวจรเพราะอัถวิเคราะห์ว่าท่องเที่ยวไปโดยมากในกามภพนั้นความจริงเพราะท่านประสงค์เอาการท่องเที่ยวไปโดยมากกามาวจรจิตนี้แม้จะเป็นไปในรูปภพ หรืออรูปประพบได้บ้างก็จะเกิดเป็นกา ม, มาวจรวงและเปิดอยู่นั่นเองวงละปิดอีกอย่างหนึ่งกามะพบท่านเองชื่อว่ากามกามะพชื่อว่ากามาวจรเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามนั้นจิต แม้เป็นไปแล้วในกามาวจร น, นั้นชื่อว่ากามาวจรโดยระบุชื่อพบเป็นที่อาศัยในจิตผู้อาศัยดุดในประโยคเป็นต้นว่าเตียงทั้งหลายย่อมกระทําเสียงโหดังนี้แลพอทีด้วยการกล่าวอย่างพิสดารก็ในอธิการนี้มีคาถารวมความว่าจิตนั้น พึงชื่อว่าเป็นกามาวจรเพราะอาัถวิเคราะห์ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามหรือท่องเที่ยวไปในกามหรือโดยฐานูปจารแมในรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตบัณดิตพึงเห็นในยะเช่นเดียวกันนี้นั่นแหละตามสมควรจิตชื่อว่าโลกุตระเพราะอาัถวิเคราะห์ว่าย่อมข้ามขึ้นจากโลก กล่าวคืออุปาทานคันโดยไม่มีอาสวะได้แก่มรรคจิตส่วนผลลจิตชื่อว่าโลกุตระเพราะอัถวิเคราะห์ว่าข้ามขึ้นแล้วจากโลกกล่าวคืออุปาทานคันนั้นอีกอย่างหนึ่งมรรคจิตและผลจิตแม้ทั้งสองพร้อมกับพระนิพพานชื่อว่าโลกุตระเพราะอัถวิเคราะห์ว่าสูง คือยิ่งกว่าโลกด้วยอำนาจแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นเองก็ในบรรดาจิตสี่ภูมิเหล่านี้แม้เมื่อกามาวจรจิตมีถึงสี่ประการโดยแยกเป็นกุศลละจิตอกุศลละจิตวิบากจิตและกิริยาจิตท่านพระอนุรุทธาจารย์เมื่อจะแสดงเฉพาะปาประจิตวงละเปิดอกุศลจิตวงลปิดและอเหตตูกจิต โดยคล้อยตามนัยยะที่จะกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าจิตทั้งหลายที่พ้นจากอากุสลจิตและอาเหตุกจิตท่านเรียกว่าโสซพละจิตดังนี้เพื่อจะตั้งชื่อจิตห้าสิบ้ดวงหรือเก้าสิบเอ็ดดวงซึ่งเว้นจากอากุศลจิตวงเล่เปิด12ดวงวงเลปิดและอาเหตุกจิตวงเล่เปิด18ดวงวงเล่ปิดเสีย โดยนามว่าโสมผลจิตจึงจำแนกแสดงโลภะมูลจิตเป็นแปดดวงโดยความต่างกันแห่งเวทนาทิฏฐิและสังขารก่อนด้วยคำว่าโสมนัสสาสาขะตังดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงเฉพาะจิตตุบาทที่สรคตด้วยโลภะเท่านั้นวงและเปิดโลภะมูลจิตแปดวงวงและปิดก่อน เพราะในบรรดาอากูสลละจิตและอาเหตุตุกจิตเหล่านั้นเฉพาะเหล่าจิตตุบาทที่สรคตด้วยโลภะเกิดแก่สัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในภพทั้งหลายในเบื้องต้นด้วยอำนาจวิถีจิตแล้วจึงแสดงเหล่าจิตตุบาทที่สรคตด้วยโทมนัตวงและเปิดโทสะมูลจิตสองดวงวงแลปิด ในลำดับต่อจากจิตตุบาทที่สรคตด้วยโลภะนั้นโดยภาวะที่เป็นทวิเหตุกจิตเท่ากันและแสดงเหล่าจิตตุบาทที่เป็นเอกะเหตุกะวงและเปิดโมหะมูลจิตสองดวงวงและปิดในลำดับต่อจากจิตตุบาทที่สรคตด้วยโทมนัสนั้นพึงทราบอธิบายความในคาว่าโสมานัสสาขตังเป็นต้นนั้น ดังต่อไปนี้ใจดีชื่อว่าสุมานณะอีกอย่างหนึ่งใจดีนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าผู้มีใจดีได้แก่จิตหรือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยใจดีนั้นภาวะแห่งใจดีหรือแห่งบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยใจดีนั้นโดยเป็นเหตุเป็นไปแห่งชื่อ และความรู้ในจิตหรือในบุคคลที่ชื่อว่าสุมาณะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าโสมนัสคำว่าโสมนัสนี้เป็นชื่อแห่งสุขเวทนาทางใจจิตที่สรคตคือที่รักคนด้วยอำนาจอาการส่อย่างมีเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นกับโสมนัสนั้น หรือที่ถึงภาวะมีเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นกับโสมนัตนั้นเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นจึงชื่อว่าโสมนัสสหัคตจิตธรรมชาติที่ชื่อว่าทิฏฐิเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมเห็นผิดความจริงแม้ถ้อยคำสามัญก็ยังมีวิสัยแปลกกันได้โดยเนื้อความและความหมายเป็นต้น เพราะเหตุนั้นในอธิการว่าด้วยอกุศลจิตนี้ท่านพระอนุรุตคาจาร์จึงกล่าวเฉพาะความเห็นผิดเท่านั้นว่าทิฏฐิทิฏฐินั่นเองเป็นทิฏฐิคตะเพราะคตัศัพมีความเป็นไปในภาวะทิฏฐิสัพท์นั้นดูในประโยคเป็นต้นว่าสังขารคตังตามาคตังดังนี้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิ ที่เป็นไปคือยังลงภายในทิฏฐิหกสิบสองประการหรือว่าเพียงความเป็นไปแห่งทิฏฐิคือไม่มีสภาวะอะไรอะไรมีตัวตนเป็นต้นที่จะพึงไปในทิฏฐินี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิคตะได้แก่ความยึดมั่นวงเละเปิดในสัตว์และสังขารทั้งหลายวงและปิดว่าเป็นตัวตนหรือ เป็นของเนื่องด้วยตนเป็นต้นที่เป็นไปแล้วว่าคำนี้เท่านั้นจริงคำอื่นเปล่าจิตดวงใดประกอบแล้วด้วยประการทั้งหลายมีความเกิดขึ้นร่วมกันเป็นต้นพร้อมกับทิฏฐินั้นเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าทิฏฐิกตะสัมปยุตสภาวะใดย่อมปรุงแต่งคือย่อมจัดแจง ด้วยเครื่องปรุงแก่งพิเศษกล่าวคือสภาวะที่จิตกล้าแข็งหรือจิตนั้นอันเครื่องปรุงแก่งพิเศษกล่าวคือสภาวะที่จิตกล้าแข็งนี้ปรุงแก่งคือจัดอยู่โดยนยะที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่าสังขารได้แก่ บุรพะประโยคของตนหรือของคนเหล่าอื่นที่เป็นไปด้วยอำนาจสนับสนุนแก่จิตหรือบุคคลที่ท้อแท้อยู่ในหน้าที่นั้นๆก็บุรพะประโยคนนั้นย่อมเป็นไปในจิตสันดานของตนที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้นและ ในสันดานของบุคคลอื่นเพราะเหตุนั้นเฉพาะอาการพิเศษกล่าวคือภาวะที่จิตกล้าแข็งอันบุราพาประโยคนั้นให้บังเกิดแล้วจึงชื่อว่าสังขารในอธิการว่าด้วยจิตนี้สังขารนั้นไม่มีแก่จิตดวงใดจิตดวงนั้นชื่อว่าเป็นอสังขาระอสังขาระนั้นนั่นเองเป็นอสังขาริกจิต ที่ประกอบแล้วด้วยสังขารชื่อว่า ส, สังขาริกสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าอาการพิเศษที่เกิดแต่บุราพาประโยคเกิดมีในจิตชื่อว่าสังขารภาวะที่จิตเป็นอสังขาริกเป็นต้นย่อมมีได้ในจิตวิสัยนี้ด้วยอำนาจสังขารนั้นอีกอย่างหนึ่ง คำว่า ส, สังขาริกังและว่าสังขาริกังนี้ท่านพระอนุรุทธอาจารย์กล่าวหมายถึงความมีและความไม่มีแห่งสังขารล้วนๆหากล่าวเพราะความมีและความไม่มีความเป็นไปร่วมกันแห่งสังขารนั้นไม่เพราะเหตุนั้นเพราะสังขารแม้ที่มีปกติเป็นไปในสันดานที่ต่างกัน ก็มีจิตนี้เป็นความมุ่งหมายจิตที่บังเกิดแล้วด้วยอำนาจแห่งสังขานั้นชื่อว่าสังขาริกเพราะอาถวิเคราะห์ว่ามีสังขารเพราะสหัสัพแสดงอาจว่ามีดุดในประโยคว่าสะโลมโกสะปากกิโกเป็นต้น ส่วนจิตที่ตรงกันข้ามกับสังขาริกจิตนั้นชื่อว่าสังขาริ ก, ก, รกโดยนัยยะที่ข้าพระเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วนั่นแหละเพราะไม่มีสังขานั้นจิตดวงใดพราคือแยกจากทิฏฐิเพราะเหตุ น, นั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าทิฏฐิกตวิปยุต ธรรมชาติที่ชื่อว่าอุเบกขาพราะอัทวิเครว่าย่อมเพ่งคือเสวยอารมณ์โดยเหมาะสมคือโดยสมควรได้แก่แม้เมื่อเสวยอารมณ์ก็เสวยด้วยอาการที่ดำรงอยู่โดยอาการที่เป็นกลางอีกอย่างหนึง่งความเพ่งคือการเสวยอารมณ์เหมาะคือควรแก่สุขเวทนาและทุกขเวทนาได้แก่ไม่เป็นข้าศึก เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุเบกขาความจริงอุเบกขาเวทนานี้ย่อมเป็นไปแม้ในลำดับติดต่อกันแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเหล่านั้นเพราะไม่เป็นข้าสึกต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนาคําว่าอุเบกขาสาขะตังนี้มีนัยยะดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้ว ถามว่าก็เพราะเหตุไรในโลภะมูลจิตแปดดวงนี้เมื่อสัมปยุตตธรรมทั้งหลายมีภาษาเจตสิกเป็นต้นแม้เหล่าอื่นก็ยังมีอยู่ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่าจิตสอรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นไว้เท่านั้นตอบว่าเพราะสัมปยุตตธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเวทนาเป็นต้นนั่นแหละมีไม่ทั่วไปวงเล็บเปิดแก่จิตทุกดวงวงเล็บปิด ความจริงเจตสิกกระ ท, ทำบางเหล่าวงและเปิดเจ็ประการวงและปิดมีภาษาเจตสิกเป็นต้นมีทั่วไปแก่จิตทุกดวงเจตสิกกระ ท, ทบางเหล่าวงและเปิด19ประการวงและปิดมีทั่วไปแก่กุศลจิตเป็นต้นและเจตสิกกระทำทั้งหลายวงและเปิดสี่ประการวงและปิดมีโมหะเจตสิกเป็นต้นมีทั่วไปแก่อกุศลแจิตทุกดวง เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่สามารถจะอธิบายจิตให้ต่างกันได้โดยเจตสิกธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นต้นเหล่านั้นส่วนเจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้นเกิดในจิตบางดวงไม่เกิดในจิตบางดวงเพราะเหตุนั้นความต่างกันแห่งจิตด้วยอำนาจเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นนั้นจึงปรากฏชัดเจนแล้ว ถามว่าก็เพราะเหตุไรเจตสิกรธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้จึงเกิดในจิตบางดวงไม่เกิดในจิตบางดวงตอบว่าเพราะมีเหตุเกิดร่วมและไม่เกิดร่วมถามว่าก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งเจตสิกรธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นข้าพเจ้าจะ ก, กล่าวเฉลยความพิศดารว่า อิทธารมโดยสภาวะหรือโดยปริกำหนึ่งความที่บุคคลมีปฏิสนธิจิตสรครตด้วยโสมนัสหนึ่งความที่บุคคลมีปกติไม่ลึกซึ้งหนึ่งเป็นเหตุแห่งโสมนัสในอธิการว่าด้วยอักุศุลจิตนี้อิทธมัจจารมหนึ่งความที่บุคคลมีปฏิสนธิจิตสารครตด้วยอุเบขาหนึ่งความที่บุคคลมีปกติลึกซึ้งหนึ่ง เป็นเหตุแห่งอุเบกขาการคบหาบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิหนึ่งความที่บุคคลเป็นผู้มีศัตรูทิฐิและอุเฉททิฐิเป็นเจ้าเรือหนึ่งเป็นเหตุแห่งทิฐิหรือจะแปลว่าเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิส่วนปัจจัยทั้งหลายมีอุตุและโภชนะที่เหมาะสมเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความที่จิตเป็นอาังคาริกเพราะเหตุดังนี้นั้น เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นจึงเกิดเฉพาะในจิตบางดวงเพราะเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจเหตุที่เหมาะแก่ตนเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงสามารถบัญญัติความต่างกันแห่งจิตได้โดยเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้นแล ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ในคำลงท้ายท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าจิตวงและเปิดแปดวงวงและปิดเหล่านั้นสระคตด้วยโลภะเจตสิกไว้แน่ชัดทั้งที่จิตวงและเปิดแปดวงวงและปิดเหล่านั้นก็ยังมีโมหะเจตสิกเป็นเหตุร่วมอยู่ด้วยแต่โลภามูลจิตแม้ทั้งแปดวงเหล่านี้บัณฑิตพึงทราบตามลาดับความเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้จริงอยู่ในการใดบุคคลมีจิตกล้าแข็งเองกามสภาวะไม่ถูกกระตุ้นเตือนเชิดชูมิจฉาทิฐิโดยนัยะเป็นต้นว่าโทษในการทั้งหลายไม่มีราเริงยินดีบริโภคกรรมหรือเชื่อทิฏฐะมงคลเป็นต้นโดยความเป็นสาระในการนั้นอกุศลจิตดวงที่หนึ่งย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตอ่ อ, อนถูกกระตุ้นเตือนเชิดชูมิจฉาทิฐิร่าเริงยินดีบริโภคกรรมหรือเชื่อทิฏฐมงคลเป็นต้นโดยความเป็นสาระในการนั้นอากุศลจิตดวงที่สองย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตกล้าแข็งเองตามสภาวะไม่ถูกกระตุ้นเตือนไม่เชิดชูมิชาทิฐิร่าเริงยินดีอย่างเดียวเซเมทุนเพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นหรือรักของผู้อื่นไปในการนั้นอกุศลจิตดวงที่สามย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตอ่อนถูกกระตุ้นเตือนไม่เชอชูมิจฉาทิถิร่าเริงยินดีอย่างเดียวเสพเมทุนเพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นหรือรักของผู้อื่นไปในการนั้นอกุศลนจิตดวงที่สี่ย่อมเกิดขึ้นแต่ในการใดบุคคลทั้งหลายปราศจากสมนัสเวทนาในข้อกำหนดแม้ทั้งสี่อย่าง เพราะอาศัยความไม่ถึงพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายหรือเพราะไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเวทนาเหล่าอื่นในการนั้นโลภะมูลจิตสี่ดวงที่เหลือซึ่งสรคตรด้วยอุเบกขาเวทนาย่อมเกิดขึ้นแลปิสท์ในคำว่าอัตปินี้เป็นสำปินดนัฐธะ ด้วยปีสัจนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์ย่อมรวบรวมแม้ความที่จิตสระคตด้วยโลภะเหล่านั้นมีหลายประการโดยความต่างกาันแห่งความเป็นไปโดยสมควรแก่กรรมบทที่ได้อยู่ในอกุศลกรรมบททั้งหลายและความต่างกาันแห่งกาละเทศะสันดานและอารมณ์เป็นต้นตามนัยยะที่จะกล่าวต่อไปใจชั่วชื่อว่าท um ุมมณะ อีกอย่างหนึ่งใจชั่วนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าผู้มีใจชั่วภาวะแห่งใจชั่วหรือบุคคลผู้มีใจชั่วนั้นชื่อว่าโทมนัตคำว่าโทมนัตนั้นเป็นชื่อแห่งทุกขเวทนาทางใจจิตดวงใดสระคต ด, ด้วยโทมนัตนั้นเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นจึงชื่อว่าโทมนัสสาคตะสภาวะที่ชื่อว่าปฏิฆะเพราะอัถวิเคราะห์ว่ากระ กรบอารมณ์ได้แก่โทสะความจริงปฏิคานี้ย่อมเป็นไปคล้ายกระทบอารมณ์เพราะเป็นสภาวะดุร้ายแม้เมื่อจิตที่สระคตด้วยโทมนัสจะไม่ต่างกันด้วยอํานาจเวทนาท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวสับว่าโทมนัสไว้เพื่อเป็นเครื่องกําหนดจิตด้วยอํานาจธรรมที่มีไม่ทั่วไปวงและเปิดแก่จิตทุกดวงวงเล็ปิดบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่า ภาวะที่จิตสมปรยุทธ์ด้วยปฏิฆะท่านอาจารย์กล่าวไว้เพื่อแสดงความที่โทมานต์และปฏิฆะทั้งสองมีปกติไปร่วมกันโดยแน่นอนโทมานต์และปฏิฆาทั้งสองเหล่านี้มีความต่างกันดังนี้คือก็บรรดาโทมานต์และปฏิฆะทั้งสองนี้โทมนั์เป็นธรรมอย่างหนึ่งนับเนื่องในเวทนาขันมีลักษณะเสวย อ, อนิถารม์ ปฏิฆาเป็นธรรมอย่างหนึ่งนับเนื่องในสังขารขันมีสภาวะดุร้ายบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็บรรดาโทมานต์และปฏิฆะทั้งสองนี้อ น, นิถารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุแห่งโทมานต์และอาคาตะวัตถุเ ก, ก้าประการเป็นเหตุแห่งปฏิฆะก็บัณฑิตพึงทราบความเกิดขึ้นแห่งจิตสองดวงเหล่านั้นในการเป็นไปกล้าแข็งและอ่อนในอกุศลกรรมบทสิบ มีปาณาติบาตเป็นต้นเนื้อความแห่งปิศัพ์ในคำลงท้ายแม้นี้บัณฑิตก็พึงเห็นตามธรรมนองแห่งนยะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วธรรมชาติที่ชื่อว่าวิจิกิจฉาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุยากคือลำบากแห่งบุคคลผู้ค้นสภาวธรรมอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่ชื่อว่าวิจิกิจฉาเพราะอัตวิเคราะห์ว่า มีการแก้ไขคือการกระทำคืนคือยานไปปราดแล้วโดยเป็นธรรมชาติกระทำได้ยากเพื่อจะแก้ไขจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยวิจิกิจฉานั้นชื่อว่าวิจิกิจฉาสัมปยุทธะจิตภาวะแห่งจิตหรือแห่งบุคคลที่ฝูงสัน้นชื่อว่าอุธทธะ แม้เมื่ออุทธจาเจตสิกจะมีทั่วไปแก่อกุศลจิตทุกดวงในจิตดวงสุดท้ายนี้อุทธจาเจตสิกเป็นประธานในสัมพยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเป็นไปเพราะเหตุนั้นจิตดวงสุดท้ายนี้เท่านั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวให้ต่างกันโดยอุทธจเจตสิกนั้นก็ เพราะอธิบายความอย่างนี้ในบาลีธรรมุเทศพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกรัดอุทจาเจตสิกไว้ในอกุศลจิตที่เหลือด้วยอำนาจเป็นเยวาปนากะเจตสิกส่วนในจิตดวงสุดท้ายนี้ทรงแสดงอุทจาเจตสิกตามสภาวะไว้แน่นอนว่าอุทจฉาเจตสิกย่อมเกิดขึ้นดังนี้ก็ ในอธิการว่าด้วยการกล่าวอุทจจเจตสิกกามสภาวะนี้มีคาถารมความไว้ดังตอไปนี้อุทจจเจตสิกแม้ประกอบกับอกุศลจิตได้ทุกดวงในจิตดวงสุดท้ายมีความรุนแรงเพราะเหตุนั้นจิตดวงสุดท้ายนั้นเท่านั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าอุทจจสัมปยุตตจิตเพราะประกอบด้วยอุทจจเจตสิก ความจริงเพราะเหตุที่อุทธจารเจตสิกเป็นประธานนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมุนีจึงตรัสวงเล็บเปิดอุทธจารเจตสิกวงเล็บปิดไว้ในอกุศลและจิตทั้งหลายที่เหลือโดยชื่อว่าเยวาปนกะเจตสิกแล้วส่งแสดงอุทธจารเจตสิกนั้นตามสภาวะไว้ในจิตดวงสุดท้ายนี้เท่านั้นก็จิตในวงเล็บโมโมหจิตวง สองดวงเหล่านี้เว้นแล้วจากโลภมูลและโทสะมูลแม้ในอารมณ์ทั้งปวงเพราะมัวมลอย่างยิ่งโดยเว้นจากมูลอื่นวงเละเปิดคือโลภมูลและโทสะมูลลงลและปิดและเพราะโยกโครงโดยประกอบด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจความกระสับกระส่าย และอุทธาจเจตสิกซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจความฟุ้งซ่านจึงสรคตรด้วยอุเบขาเวทนาเท่านั้นเป็นไปก็เพราะเหตุนั้นนั่นเองโ ม, โมหะมูลจิตสองดวงเหล่านั้นจึงไม่มีแม้ความต่างกันแห่งสังขารเพราะไม่มีภาวะที่จะกล้าแข่งได้ตามสภาวะและภาวะที่จะให้อาหาร ก็ในที่นี้มีคาถารวมความไว้ว่าเพราะเป็นธรรมชาติมัวมนและเพราะกระสับกระสายและฟุงสั้นโมมูหจิตสองดวงนี้จึงเป็นเอกะเหตุกจิตสรคตด้วยอุเบคาเวทนาและไม่ต่างกันโดยความต่างกันแห่งสังขารในการทุกเมื่อความจริงโมมูหจิตสองดวงนั้น กระสับกระสายอยู่ฟุ้งซ่านอยู่จึงไม่มีภาวะที่จะกล้าแข็งได้ตามสภาวะและภาวะที่จะพึงให้อาถานในการทุกเมื่อจิตเ่าใดย่อมลุ่มหลงคือย่อมโมัวมลอย่างยิ่งโดยโมหะเพราะเว้นจากมูลอื่นเพราะเหตุ น, นั้นจิตเหล่านั้นจึงชื่อว่าโมโมหจิตคำว่าอิเจวังเป็นต้น เป็นการกล่าวย้ำถึงอกุศลจิตส2องดวงตามที่กล่าวแล้วอิติศั์ในคำว่าอิเจวังนั้นมีอัดแสดงการรวมคำพูดและคำที่ควรพูดเอวังศั์มีอัดแสดงลำดับแห่งคำพูดและคำที่ควรพูดหรือว่าเอวังศั์นี้เป็นนิบาทรวมความใช้ในการเริ่มคำลงท้ายแห่งคำพูดและคำที่ควรพูด อธิบายความว่าอากุศลจิตสิบสองดวงจบบริบูรณ์แล้วคือจบเรียบร้อยแล้วหรือว่าท่านอาจารย์รวบรวมไว้แล้วคือกําหนดรู้แล้วได้แก่กล่าวไว้แล้วแม้โดยประการทั้งปวงคือโดยอาการมีสัมปยโยกเป็นต้นแม้ทั้งปวงคือ สัมปโยกด้วยโสมนสเวทนาอุเบกขาเวทนาและทิฏฐิเป็นต้นวงแลเปิดคือโลภะมูลจิตแปดวงวงแลปิดสัมปโยกด้วยปฏิฆาเป็นต้นวงและเปิดคือโทสะมูลจิตสองดวงวงแลปิดสัมปโยกด้วยวิจิกิจจาเจตสิกและอุทธาจารเจตสิกวงและเปิดคือโมมูลจิตสองดวงวงแลปิดอย่างนี้ด้วยประการชนี้คือโดยนัยตามที่กล่าวแล้ว ในบทว่าอากุศลจิตตานินั้นบันดิตพึงทราบอธิบายความดังต่อไปนี้จิตทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศ ล, ลจิตชื่อว่าอากุศ ล, ลจิตดูดคนที่เป็นปฏิปกักษ์ตอมิตรชื่อว่าอมิตะนั้น ก็ภาวะที่กุศลจิตกับอกุศลจิตเป็นปฏิปักต่อกันบันดิตพึงทราบโดยภาวะที่กุศลจิตเป็นธรรมชาติละและอกุศลจิตเป็นธรรมชาติจะพึงถูกละตามลาดับคำว่าอัตาธาเป็นต้นเป็นคาถารวมความอธิบายความว่า อากุศลจิตพึงมีสิบสองดวงคือจิตทั้งหลายชื่อว่ามีโลภะเป็นมูลเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีโลภะนั้นด้วยชื่อว่าเป็นมูลเพราะเป็นเช่นกับมูลรากโดยให้สาเร็จภาวะแห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลายดำรงมั่นอย่างดีด้วยพึงมีแปดดวงโดยความต่างกันแห่งเวทนาเป็นต้น จิตทั้งหลายชื่อว่ามีโทสะเป็นมูลก็เหมือนกันคือเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีโทสะนั้นด้วยชื่อว่าเป็นมูลเพราะเป็นเช่นกับมูลรากโดยให้สำเร็จภาวะแห่งสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายดำรงมั่นอย่างดีด้วยพึงมีสองดวงโดยความต่างกันแห่งสังขาร และจิตทั้งหลายชื่อว่ามีโมหะเป็นมูลได้แก่กล่าวคือชื่อว่ามีโมหะเป็นมูลเพราะอัตถวิเคราะห์ว่ามีโมหะล้วนๆเท่านั้นเป็นมูลเพึ่งมีสองดวงโดยความต่างกันแห่งสัมปยกพันานาความอากุศลจิตจบแล้วท่านพระอนุรุทาจารย์ รั้นจำแนกอกุศลจิตแม้ทั้งสามอย่างโดยความต่างกันแห่งมูลแยกเป็นสิบสองดวงโดยความต่างกันแห่งสัมพโยกเป็นต้นดังพันนนามาชนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงอเหตุตุกจิตในวงเล็บสิบแปดดวงแม้เมื่ออเหตุตุกจิตเหล่านั้นก็มีสามอย่างคือเป็นอกุศลวิบากาจิตเป็นต้น หวังจากจำแนกเฉพาะอากุศลวิบากจิตเป็นเจ็ดดวงโดยความต่างกันแห่งที่อาศัยมีจกักขวัตถุเป็นต้นและกิจมีสัมปติจชน ก, กิจเป็นต้นในลำดับต่อจากอากุศลจิตจึงกล่าวคําว่าอุเปขาสหคตังจกักขุวิญญาณังดังนี้เป็นต้นพึงทราบ ว, วิเคราะห์ในคําว่าอุเปขาสหคตังจกักขุวิญญาณังเป็นต้นนั้นดังก่อไปนี้ ธรรมชาติที่ชื่อว่าจักขุเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมชี้แจงคือเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณจิตเป็นดุจบอกรูปที่เสมอและที่ไม่เสมออีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่ชื่อว่าจักขุเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมชอบใจคือเป็นดุจพอใจรูปความจริงจากคติศัพท์นี้มีอัตว่าชอบใจดุจในประโยคว่าพึ่ง ชอบน้ำหวานคนชอบกับข้าวดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะจากขุแลมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะพระบาลีว่า ดูก่อนมาคันทิยะโสตาแลมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียงอันเสียงให้บันเทิงพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นแม้โสตาเป็นต้นก็มีความชอบใจในเสียงเป็นต้นเพราะเหตุนั้นการจะเรียกโสตาเป็นต้นแม้เหล่านั้นด้วยสับว่าจักขุก็ย่อมถูกต้องมิใช่หรือตอบว่าไม่ถูกต้องเพราะสับว่าจักขุนั้น เป็นศัพท์จำกัดความหมายความจริงศัพท์ว่าจากขุนี้เป็นสัพท์ที่จำกัดความหมายเฉพาะจากขุภาษาทรูปที่มีลักษณะทำภูตรูปที่เกิดแต่กรรมซึ่งมีความต้องการจะดูเป็นแดนเกิดให้ผ่องใสดุจศัษฎีมีมายุรศัพท์เป็นต้นเป็นศัพท์จำกัดความหมายในนกวิเศษเป็นต้นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่ง แม้ก้อนเนื้อที่กําหนดด้วยกระดูกคิ้วท่านก็เรียกว่าจากักขุเพราะอยู่ร่วมกับจกักขุส่วนในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์คำหนึ่งถึงว่าเพราะธาตุทั้งหลายมีเนื้อความเป็นอเนกประการแม้สัพ์ว่าจาักคติย่อมมีความหมายว่าชี้แจงก็ได้ดังนี้จึงกล่าวว่าธรรมชาต ที่ชื่อว่าจักขุเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมเห็นคือชี้แจงรูปที่ชื่อว่าจักขุวิญญาณเพราะอัถวิเคราะห์ว่าวิญญาณในจักขุเพราะอาศัยจักขุนั้นอยู่สมจริงดังคําที่อัตรกรถาจารย์กล่าวไว้ว่าคําว่าจักขุวิญญาณนี้มีลักษณะอาศัยจักขุภาษาทรูปและรู้แจ้งรูปได้ แม้ในโสตะวิญญาณจิตเป็นต้นบัณฑิตก็พึงเห็นตามสมควรดังพันานามาชนิด้วยคำว่าตถานี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมแสดงว่าจิตสระกตด้วยอุเบคาธรรมชาติที่ชื่อว่าโสตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณจิตได้ยิน ธรรมชาติที่ชื่อว่าขานะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมสูดกลิ่นคือทำการถือเอากลิ่นนิมิตแห่งชีวิตคือรสชื่อว่าชีวิตโดยนิรุตตินธรรมชาติที่ชื่อว่าชิวหาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าร้องเรียกชีวิตนั้นเพราะน้อมไปในชีวิตนั้น สภาวะที่ชื่อว่ากายเพราะอธิวิเคราะห์ว่าเป็นบ่อกเกิดคือเป็นที่เป็นไปแห่งบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่น่าเกลียดความจริงกายยินรี์เป็นเหตุพิเศษแห่งบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอํานาจความพอใจโผฏฐพารมเป็นต้นและมีกายยปสาทรูปเป็นมูลเพราะเป็นสภาวะรับโผฏฐพารม เพราะเหตุนั้นกายยินรีท่านจึงถือเอาดุจที่เป็นไปแห่งบาปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งกายพร้อมทั้งเครื่องปรุงก็ชื่อว่ากายเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นที่น่าเกลียดอันหนึ่ง แม้ปัสสะทกายท่านก็เรียกว่ากายเหมือนกันเพราะไปร่วมกันกับสัตสัมภารกายนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกข์เพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดขุดความสุขทางกายหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันสัตว์ทนได้ยากอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกข์เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีการให้โอกาส ที่ทำได้ยากดังนี้ก็มีจิตชื่อว่าสัมปติจช น, นะเพราะอธถวิเคราะห์ว่าย่อมรับอารมมีรูปารมณ์เป็นต้นที่ปัญจวิญญาณจิตรับไว้แล้วเพราะมีความเป็นไปตามอาการที่รับมานั้น จิตที่ชื่อว่าสันติระณะเพราะอาถวิเคราะห์ ว, ว่าย่อมพิจารณาโดยชอบคือส่อสองรูปตามที่สัมปติชนจิตรับไว้แล้วจิตที่ชื่อว่าวิบากเพราะอาถวิเคราะห์ ว, ว่าเป็นผลของกุศ ล, ลจิตและอกุศ ล, ลจิตที่ขัดแย้งกันและกันคำว่าวิบากนี้เป็นชื่อของอรูปธรรมที่ถึงภาวะซึ่งให้ผลแล้ว ก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้กตาตารูปทั้งหลายแม้ที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุทฐานก็ไม่เรียกว่าเป็นวิบากจิตที่เป็นวิบากของอกุศลจิตชื่อว่าอากุศลวิบากจิตธรรมชาติที่ชื่อว่าสุขเพราะอธิวิเคราะห์ว่าย่อมยังกายและจิต ให้สบายหรือเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมขุดความเบียดเบียนกายและจิตด้วยดีหรือเพราะอัถวิเคราะห์ว่าอันสัตว์พึงทนได้โดยง่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าสุขเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีการให้โอกาสที่ทําได้โดยง่ายดังนี้ก็มีถามว่าก็เพราะเหตุไร สันติระนาจิตฝ่ายอากุศลวิบากท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวไว้เพียงดวงเดียวเท่านั้นฉันใดสันติระนาจิตฝ่ายกุศลวิบากท่านไม่กล่าวไว้ฉันนั้นกล่าวไว้ถึงสองดวงตอบว่าเพราะสันติรณจิตฝ่ายกุศลวิบากนั้นมีความต่างกันแห่งเวทนาด้วยอำนาจอิทธารมและอิทธมัชตารม ถามว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแม้ในสันติระนจิตฝ่ายอากุศลวิบากนั้นก็ต้องมีความต่างกันแห่งเวทนาด้วยอำนาจอนิถารม์และอนิถมชตารม์บ้างวงเล็บมิใช่หรือตอบว่าสันติระนจิตฝ่ายอากุศลวิบากนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะโทมานต์แม้ที่จะพึงเกิดขึ้นในอนิถารม เว้นปฏิฆาเสียก็เกิดขึ้นไม่ได้และเพราะปฏิคาซึ่งมีสภาวะเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวไม่เกิดในอารมณ์ที่เป็นอัพยากฤษตทั้งหลายเพราะว่าธรรมที่มีชาติต่างกันหาไม่ได้แน่นอนในหมวดธรรมที่มีชาติต่างกันฉะนั้นโทมนัส จึงไม่เกิดในอากุศลวิบากจิตทั้งหลายเพราะปฏิฆะอันควรแก่การประกอบที่เสมอกันกับตนไม่เกิดมีเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่กล่าวสันติรณาจิตฝ่ายอากุศลวิบากนั้นว่าสรคตด้วยโทมานสเวทนานั้นอีกอย่างหนึ่งคนที่มีกำลังอ่อนแอบางคน ถูกคนแข็งแรงเบียดเบียนอยู่เมื่อไม่สามารถจะโต้อตอบเขาได้ย่อมเป็นผู้วางเฉยในผู้นั้นเสียชั้นใดเพราะอากุศลวิบากจิตในวงเล็บเจ็ดดวงมีกำลังน้อยรอบด้านโทมนัสจึงไม่เกิดมีแม้ในอนิถารมชั้นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นสันตียรณาจิต จึงสาระคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้นอันหนึ่งแม้วิบากจิตทั้งสองฝ่ายฝ่ายละสี่ดวงมีจักขวิญญาณจิตเป็นต้นก็สกังรคตด้วยอุเบกขาเวทนาทั้งในอนิถารมและทั้งในอิทธารมเพราะกริยาที่วัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกันมีพลังอ่อน ความจริงวัตถุทั้งหลายมีจั ก, กุวัตถุเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งวิญญาณจิตแม้ทั้งสี่ดวงเหล่านั้นก็เป็นอุปาทายรูปนั่นเองอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นแม้ที่เป็นอารมณ์แห่งวิญญาณจิตแม้ทั้งสี่ดวงเหล่านั้นก็เหมือนกันคือเป็นอุปาทายรูปนั่นเองก็ กิริยาที่อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปกระทบกันมีพลังอ่อนอย่างยิ่งคล้ายกับกิริยาที่ปุยนุ่นกับปุยนุ่นกระทบกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิ ญ, ญญาณจิตสี่ดวงเหล่านั้นจึงสอรคตด้วยอุเบขาเวทนาเท่านั้นแม้ในอารมณ์ทั้งปวงส่วนว่ากายวิญญาณจิต มีเฉพาะภูตรูปสามประการกล่าวคือโผฏฐพารม์เท่านั้นเป็นอารมณ์เพราะเหตุนั้นภูตรูปสามประการนั้นแม้กระทบกายะาสาทรูปแล้วก็เลยกายะปษาทรูปนั้นไปกระทบมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่แห่งกายภาษาทรูปนั้นก็กือเยาที่ภูตรูปกับภูตรูปกระทบกันมีพลังรุนแรงกว่า คล้ายกับเวลาที่บุคคลวางปุยนุ่นไว้บนทั้งแล้วเอาคอนทุบคอนเลยปุยนุ่นไปกระทบทั้งฉะนั้นเพราะฉะนั้นกายวิญญาณจิตจึงสัรคตด้วยทุกขเวทนาในอนิถารมสักรคตด้วยสุขเวทนาในอิทธารมณ์เพราะกริยาที่วัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกันมีพลังรุนแรงดังนี้แล แม้สัมปติจนนจิตทั้งคู่วงเล็บเปิดคือสัมปติจนนจิตฝ่ายอากุศลวิบากหนึ่งดวงสัมปติชนนจิตฝ่ายกุศลวิบากอาเหตุกจิตหนึ่งดวงวงเล็บปิดก็เกิดขึ้นในลำดับจากขุวิญญาณจิตเป็นต้นซึ่งมีวัตถุที่อาศัยไม่เสมอกับตนเพราะเหตุนั้นจึงมีพลังไม่มากนัก เพราะไม่ได้อนันตราปัจจัยจากจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกันเปรียบเหมือนคนผู้ปราศจากสหายผู้คอยช่วยเหลือที่เป็นพวกเดียวกันฉะนั้นจึงไม่สามารถเสวยรสอารมณ์ได้แม้โดยประการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้นแม้ในอารมณ์ทั้งปวง โดยปริยายอันตรงกันข้ามจากคำที่กล่าวแล้วสันติรณนาจิตฝ่ายกุศลวิบากจึงสรคตด้วยโสมนัสเวทนาในอิทธารมและสรคตด้วยอุเบคาเวทนาในอิทธามัจตารมแลถามว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จักกล่าวอาวัชนาจิตทั้งสองดวง ว่าสัมภ y o k ด้วยอุบเบกขาเวทนาไว้เล่าอาวัชนะจิตทั้งสองดวงแม้นั้นก็เป็นไปในวงเล็บเกิดในลำดับจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกันมิใช่หรือตอบว่าคำที่ท่านกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงแต่ว่าบรรดาอาวัชนะจิตทั้งสองดวงนั้น ปัญจทวาราวชนาจิตดวงต้นย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่จิตดวงไหนๆยังไม่เคยรับมาก่อนเลยเพียงวาระเดียวเท่านั้นแม้มโนทวาราวชนาจิตดวงหลังก็มีความเพ่งถึงความพยายามอย่างอื่นคือความเปลี่ยนไปแห่งจิตสันดานที่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงไม่สามารถเสวยรด อ, อารมณ์ได้แม้โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึงสัมปยุตด้วยอุเบขาเวทนาเท่านั้นก็ในอธิการนี้มีคาถารวมความว่าเพราะกิริยาที่อุปาทายรูปทั้งหลายซึ่งมีสภาวะเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์กระทบกันมีพลังอ่อนเพราะเหตุนั้นจิตสี่ดวงมีจักขวิญญาณจิตเป็นต้น จึงส่อรคตรด้วยอุเบขาเวทนาแต่เพราะกริยาที่ภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งกายาประสาทและเป็นโพธพารมณ์กระทกันมีพลังรุนแรงกายาวิญญาณจิตจึงไม่ส่อรคตรด้วยอุเบขาเวทนาเพราะสัมปฏิจชนจิตทั้งสองดวงไม่มีอนันตระปัจจัยที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกัน จักนั้นสัมปติช น, นจิตในวงเล็บทั้งสองดวงจึงมีพลังอ่อนสอระคด้วยอุเบกขาเวทนาในอารมณ์ทั้งปวงจิตที่เป็นอเหตุกะเพราะเว้นจากสัมปยุตตาเหตุด้วยเป็นวิบากแห่งกุศลจิตด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเหตุกะจิตฝ่ายกุศลวิบาก ค, ความจริง อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากนี้แม้สำเร็จแล้วด้วยอำนาจนิพพัตธกเหตุย่อมเรียกได้ว่าเป็นอเหตุุกะด้วยอำนาจสัมปยุตตาเหตุนั่นเองเพราะเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้อเหตุุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านี้จะไม่มีความต่างกันจากมหาวิบากจิตทั้งหลายถามว่าก็ ในกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากกจิตเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่ได้ลงสับว่าอหิตุกะไว้ในคำลงท้ายแห่งอกุศลวิบากกจิตเหมือนในคำลงท้ายแห่งกุศลวิบากกจิตนี้เล่าตอบว่าเพราะไม่มีปรากฏที่ไหนอีกความจริง เมื่อความเกิดและความเป็นไปต่างกันมีอยู่บทวิเศษณะก็พึงมีประโยชน์ก็อกุศลวิบากจิตในวงเล็บเจ็ดดวงย่อมไม่มีความเกิดโดยความเป็นสเหตุุกะแม้ในการบางคราวเพราะไม่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบด้วยสัมป y โยคเหตุทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นอันเป็นค่าศึกต่อธรรมที่มีโทษมีโลภะเป็นต้นนั้น โดยความเป็นวิบากแห่งธรรมที่มีโทษมีโลภะเป็นต้นและเพราะธรรมทั้งหลายที่มีสภาวะไม่มีโทษเป็นอัพยากฤตโดยตนผิดจากสมประโยคด้วยอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเพราะเหตุนั้นอกุศลวิบากจิตจิต ด, ดวงเหล่านั้นท่านพระอนุรุตท่านาจารย์จึงไม่ให้ต่างไปด้วยบทว่าอเหตุกะเพราะไม่มีความเป็นไปต่างจากความเป็น อเหตุกะแลบัดนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์ประสงค์จะแสดงแม้กริยาจิตฝ่ายอเหตุกะทั้งหลายเป็นสามดวงโดยความต่างกันแห่งกิจในวงเล็บหน้าที่ในอธิการว่าด้วยอเหตุกะจิตจึงกล่าวคำว่าอุเปขาสาขะตังดังนี้เป็นต้น จิตดวงใดย่อมนึกถึงอารมณ์ที่กระทบปัญจทวารมีจักขุทวารเป็นต้นคือกระทำความคำหนึงในอารมณ์ที่กระทบนั้นหรือย่อมไม่ให้จิตตะสนดานเป็นไปด้วยอำนาจเป็นพระวังคจิตแล้วให้เปลี่ยนไปเพื่อเป็นวิถีจิตเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะ ได้แก่มนโนทาจิตฝ่ายอเฮตุกะกิริยาพระวังคจิตวงเล็บเปิดคือพระวังคูปเฉทาวงเล็บปิดซึ่งเป็นอนันตระปัจจัยแก่อาวัชนจิตวงเล็บเปิดคือปัญจทวาราวัชนจิตและมนโนทวาราวัชนจิตวงเล็บปิดชื่อว่ามนโนทวานเพราะเป็นทางเป็นไปแห่งวิธีจิตทั้งหลาย จิตดวงใดย่อมคำนึงถึงอารมณ์ที่มาปรากฏด้วยอำนาจอารมณ์มีรูปารมณ์ที่ได้เห็นศัทธารมณ์ที่ได้ยินและคันธารมณ์เป็นต้นที่ได้ทราบเป็นต้นในมโนทวานั้นหรือย่อมให้จิตตสันดานเปลี่ยนไปโดยนิย่าที่กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะเหตุ น, นั้นจิตดวงนั้นชื่อว่ามโนทวาราวชนะ ได้แก่จิตที่สระคตด้วยอุเบกขาเวทนาอันเป็นมโนโวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกะกิริยาก็มโนทวาราวัชนะจิต ด, ดวงนี้แหละย่อมตัดสินอารมณ์ตามที่ได้พิจารณาแล้วในปัญจทวารเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงเรียกว่าโวถับพนะจิต จิตดวงใดย่อมยังการแย้มให้เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าหาสิตุปาทะได้แก่จิตที่สรคตด้วยโสมนัสเวทนาอันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกะกิริยาอันเป็นเหตุเพียงอาการร่าเริงในเพราะอารมณ์ที่ละเอียดแห่งพระขีนาศพทั้งหลาย คำว่าสัพพทาปิได้แก่โดยความต่างกันแห่งอกุศลวิบากจิตกุศลวิบากจิตและกิริยาจิตบทว่าอัธรส า, าเป็นการกำหนดจำนวนบทว่าอหตธุกาจิ ต, ตานิเป็นการแสดงธรรมที่กำหนดไว้แล้วพนานาความอหตธุกจิตจบ ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้งแสดงจิตสามสิบดวงท่วนคืออะกุศลละจิตส2บสองดวงอะเหตุกะจิตสิบแปดดวงดังพันานามาชนีแล้วบัดนี้หวังจะตั้งชื่อจิตที่พ้นจากจิตสามสิบดวงท่วนนั้นว่าโสพลนจิตจึงกล่าวคำว่าปาปาเหตุกะมุตตานิดังนี้เป็นต้นอธิบายความว่า จิตทั้งหลายที่พ้นจากจิตที่ชื่อว่าปาปะเพราะยังบุคคลที่ตนอาศัยอยู่ให้ถึงทุกมีทุกข์ในอบายภูมิเป็นต้นและจากจิตที่ชื่อว่าอเหตุกะเพราะไม่มีสัมปโยกด้วยเหตุมีจำนวนห9้าดวงคือกามาวจรจิตยี่สิบี่ดวงมหาคตจิตและโลกุตรจิตสาสิบห้าดวง อีกอย่างหนึ่งจิตมีเก้าสบเอ็ดดวงบ้างเพราะแยกโลกุตรจิตแปดดวงแต่ละดวงออกเป็นอย่างละห้าดวงโดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองคชานท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์เรียกว่าคือกล่าวว่าโสพลนจิตเพราะเป็นเครื่องนำมาซึ่งคุณอันงามและประกอบด้วยเหตุที่ไม่มีโทษมีอโลภะเหตุเป็นต้น เพราะมีการนำมาซึ่งคุณอันงามนั้นเป็นเหตุเพราะบรรดาโสผลนจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดวงวงเล็บปิดโสผลนจิตเฉพาะฝ่ายกามาวจรวงเล็บเปิดยี่สิบสี่ดวงวงเล็บปิดท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ยกขึ้นแสดงก่อนในวงเล็บและเพราะแม้บรรดาโสผลนจิตฝ่ายกามาวจรเหล่านั้น อภิยากตาจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดคือวิบากจิตแ ล, และเกเริยาจิตวงเล็บปิดมีกุศลจิตนําหน้าในวงเล็บฉะนั้นบัดนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงกามาวจรกุศลจิตก่อนต่อแต่นั้นแสดงจิตที่เป็นวิบากแห่งกามาวจรกุศลลจิตนั้นและในลําดับนั้นแสดงเกเริยาจิตซึ่งนับเนื่องในชั้นเดียวกันกับ กามาวจรกุศลละจิตนั้นประเภทละแปดดวงโดยความต่างกันแห่งเวทนาญาณและสังขารจึงกล่าวคำว่าโสมนัสสหคตังดังนี้เป็นต้น